นมูตัสสะพะคะวะตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธะขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันต์สัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวัวนี้ครบรอบซึ่งอตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนา มาซึ่งสี่สี่สิบหกปัญษาแล้วญาติโยมที่มารุดนำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจอยูกุศลที่มาทาสการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยะสงฆ์เจ้า ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สการะบูชามาซึ่ง1 6ภาษาแล้วอัตมาก็ยังดีใจเ้าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติรู้สมเจญยะความและลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสำมือกิอ่งบังไม่ได้บวชนูน อั น, นี้ส่งได้เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึงห้าปีเข้าหกปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสมคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ ที่มาทำส ก, การะบูชาในครั้งนี้อัตมาก็ดีใจกายญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาไดเ้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวัดนี้ ก็ขออำนาจบา ร, รมีธรรมที่ได้บาเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัว จ, จะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆเจ้ามาเป็นที่พึ่งและลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆอยู่ที่ใจมานานแล้ว ก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่สี่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสมคีธรรมเจ็ดวันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีแล้วลึกเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระทรงเจ้าเป็นอารมณ์ไวแล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะอับประพุทธพระถมประทระงมาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยหนาะ ที่พึงจะได้จะถึงเพราะพายายามมากเพราะญาติโยมก็พยา ย, ยามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติยมที่มาส่งนำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็าดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละเว้นแต่ถึงถึงที่ใจ ถึงทีจัยเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะผู้สร้างบารมีด้วยกันถ้าอันนี้บุคคลที่แต่งแต่งสถานที่อวัยที่ให้อัตมาเป็นที่นั่งมีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่กันอยู่ ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่ไม่มีกับผู้ทมเป็นบุญกุศลถึงให้ดีใจญาติโยมหูตายะสนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญ พหวังก็จิตยิงว่าเคลียเคลียสถานที่อวัยที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจิงว่าสร้างอาวัยดีแล้วซึงอายาตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสา ตาา菩萨หู菩萨มโนส า, นสาขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีก็ญาติโยมทุกทุกคนที่ได้มาทำสการะบูชาแล้วปูชาจะปูชิยาญาณังเอตมังคลุตัมังนี่แหละ พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ที่การจะช่วยได้ก็เพราะมีศรัทธาด้วยกันขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผู้พระสงฆ์ก็พยายามขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นธรรมะ ที่เดินไปสู่ยุคคนบาทของสมมาสัมพุทธเจ้านิผพานนี้สุขก็ไรไม่เกินพระนิพพานนิพพานเป็นของดีเป็นพระอริยเจ้าไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยาคตาธรรมเป็นอัพญากรต ควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคนบาตรของพระพุทธเจา้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลก พุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงเกเกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำจงซอนของพระพุทธเจ้าสินนั่นแหละสินห้านั่นแหละทะบุ คนธรรมให้ให้ครบทวนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในผูมมของพระสดาที่ทากรรมฐานนี่แหละทำอินรีสังวรสำรวมระหวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำอสอนของพระองค์ได้จริง ไม่เสียทีมาว่าเรามามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกัว่าพุโทโธโลเกพระทรงเกิดในโลกธรร ม, มโลเกะพระธรรมเกิดในโลกสังคโฆโลเกพระทรงก็เกิดในโลกพวกเราเรานี่ละ่พะพยายามทําให้ถึงพร้อมพยายามทําอินสี ให้แก่กล้ามืออินทร์นี่แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จากปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสุขนี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขา แล้วก็จะดูธรรมะของพระองค์จริงๆว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่าตกกระแสหรือ แ, แนวทางที่อินทรีนี้แก่กล้าไว้ดีแล้วฌานปัติโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้ อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเราเมื่อเกิดในแดนพระศาสนาของสมมาสระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอพวกเราได้พยายามสร้างสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอน ทุกเกิดก็รู้สุ ข, ขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กําหนดอย่างนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกพอทุกมันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ประยับไปแล้วพออิสิบวิแก่กระกระยับไปแล้วก็ไม่ได้กําหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ใกล้ทุกเนี่ยเราไม่ได้กําหนด และเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉะลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกเห็นทุก์เราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกเงียจึงเรียกว่าเราได้ทำสตสิสัมทัญญะมาเจ็บวันเจ็ดคืนในวัุ่งสะมาธิขีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิด ที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาจจะมาได้ไปบบเพ็นบำเพ็ญเจริญสมมตภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบะถึงทำไมไปสุดส่ยส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่งห้าปีโคหปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทูดงคือกรรมฐาน บินทบาทเป็นวัดกำหนดทุกำหนดทุ ก, ก, ทกอาจจะมาได้บำเพ็ญบารมีมาจนสีส่สิบปศาสี่สิบหกปศาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานีนหมดว่าให้อยู่อีกสักร้อยปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะ ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยคงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็ก็อาศัยว่าสีนสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นหนึ่งนิดสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้สี่สิบหกพัรษาเนี่ยถึงไม่ข่าวตายก็ไม่ตายนะ ถึงคราวตายก็ไม่ตายมีเหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกทุกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าผ่าวนาไวถึงพร้อม เวลามันเกิดทุกข์จบดิบขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาเสลยลมก็ไม่หวา่นไว้จึงเรียกว่าเวทขาภาวนาฝึกขัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รัรน ปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมตัวอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะมันไม่หวัดไว้ทมเครื่องเครื่องอยู่อยู่ในพระพุทธธรรมพระทรงก็แล้วกันก็เกรียมมาตั้งสาาี่สิบหกพระาลาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงอยุ่ใจขอให้ท่านทมตามอัตมาทิ่แนะนำเสนอในะวันนี้แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งน้ำในวันนี้ก็บุญตอบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบ คือติดเป็นผู้เห็นเห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติขนเราหนะ้าเท่าตายไปเป็นเทวดาและลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไป เ, เป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ ว่าเคยทําสิ่งนั้นไว้ทําสิ่งนี้ไว้และผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทําความดีความชอบในของพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าได้ลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระริยสุขอยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจ เมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงอยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไม้ว่าที่ส่งน้าแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีพวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับ ท่านก็จะเห็นมหมเราในปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตากระดูขึ้นโสตะวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นทาเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีแนะนำหรือสั่งสอน หลักวิชาสามวิชาจจรณะสัมปันโนที่เราสวดกระยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆและเป็นจริกมงคลณทำที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝาก ธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระทรงพระเจ้าขอให้ท่านละลึกไวาที่ใจขออํานาจบา ร, รมีธรรมที่อาตมมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบา ร, รมีในกันในเวลาในที่นี่เป็นที่สมควร ไว้ฝึกขู่ตาจบุกลินกาใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรสีผลสีพระในผ่านหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้อรกับท่าน อริแลรับเจ็บก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงอยู่ที่ใจนี่ พระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดตัวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจยอย่างเดียวสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าทําใจเฉยๆทาใจเป็นกลาง เราได้ฝึกสมาธิเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระส่งอยู่ที่ใจเราทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ที่เรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้ เพราะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชื่อของศีลเรายังไม่ถึงหลักสมาธิจริงๆ ให้สบายสบายกำหนดพุทลงข้าวถูหลมออกเมื่อเรากำหนดพุทลงข้าวถูลลมออกอยู่เป็นส ต, ติสมัธยะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะผู้ฝึกหัดสมาธิใหม่ต้องใช้บริกรรม พุทธลมเข้าทูลมออกพุทลมเข้าทูลลมออกทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัทธัญญาจึงจะดีขึ้นได้ ด้วยมานั่งรวมสอนสมาธิให้คือหนึ่งได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติกับครูว่าอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเหตดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจาก9ก้านาทีสินาที รยี่สนาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าสิ่ น, นี้สมรวปกายสมาธินี้สมรวปใจ ถาความรู้เท่าทันจึงขาดเรียกว่าปัญญา จากใจของตัวเองใจจะได้มีคิดไปโ น, น่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ทำเห็่นถำมพิ่นถ้าคิดโ น, น่นคิดนี่คิดไม่รู้จักอารมณ์ของพระก็พิ่งว่า กิจนี้เป็นบาป น, านั้นกิจนี้ไม่มีสมาธิเลยนี่เพราะเนื้นีต้องบริกรรมพุทธลมข้าวทูลลมออกพุทธลมข้าวทูลลมออกให้เป็นอารมณ์ เราไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พระพุทธสัมพระศพนี่แหละเอาเป็นอารมณ์ทมนีก่ก็จะเจริญขึ้นกับตนเอง ให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียนมีหมันขึ้น ทุม่มเงี้ยเราจะพยายามไมาก่กัดสกัดการจิตไม่คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วทั่วไปเพึ่งจะไ ม, ม่ได้สมาธิ อยู่ในภาวนาพุทลมข้าวกาหนดรู้โทลมข้าวกาหนดรู้พุทลมข้าวกาหนดรู้โทลมออกกําหนดรู้ ให้มีอารมณ์อย่างเงี้เถ้าพุทธเป็นโธโธเป็นพุทธงียบเพึงรูว้ว่านี่สติสมถะมัธมยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทธลมข้าวโธลมออก เมื่อจิตน ม, นมนมณสิการจริงๆฌานธรรมะบัตปุนจเกิดขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแน ะ, แ น, ะนำให้สติ ด, ดีขึ้น สมาธิก็จะได้มีคือนมื่อยังไม่มีสมาธิเราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งนั่งแนะนำต่างสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเอาเองนื่งอันตมานี้ก็เหอนกันที่ทำเนี่ยนานๆครูบาจะมาส่อนสักทีพราะก็ตั้งต่างคนต่างนั่งเอา เมื่อมีสมาธิขึ้นมีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีก เมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียนมีมันให้มากขึ้น พาจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้สงบเมืม่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้เราก็จะมองมองดูที่ผมบนศรีรษะของเรา มองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเรามองดูขมขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยดูเห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่ว คนทั่วทั่วร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูคนทั่วทั่วร่างกายทำความรู้เห็นดู ทิ่ปลายเนิวของเราให้รู้เห็น ดูเล็บให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือกอยู่ในปากของเราฝันเพ่ง กระดูอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็น เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราขิ่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกฝงผึ่งตับออดทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้ จิตุงสานก็รู้ไม่ฝงสานก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมี่จิตนี้สงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึ่งดีใจ ครูบาอาจารย์มาเสนอแนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียร ม, มีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้ให้มากๆากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูด ก็ครูว่าอาจารย์ได้ าอาจารย์เนี่ที่เรียกมาทำก็ามาทานเพื่ออยากให้สิษย์มีความรู้เรื่องศิลป์สมาธิปัญญาจึงพร า, ายามมานั่งแนะนำให้ค่อยใจ อาจารย์คู่สวดอุปสัยยะบอกอะไรบ้างท่านให้เกศาให้มองดูให้เห็นเกศาผมขนเล็บตัวนันง เนื้อเส้นเอนกระดกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานพราะครูวาจานให้มาแล้วเกษาโลมานักขาทันตาจะโต จะเดทันตาก็ไม่รู้อะไรหรกว่าทนให้เนี่ยทานให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้คนให้เล็บให้ฝันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสินเป็นสิน าเราควรเขาให้สิ้นแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องทําว่าพระครูให้เรากรรมฐาน5 5อย่างนี้ให้พิจารณาเป็นอารมณ์เราก็มาทําทําให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้ เห็นผมเห็นคนเห็นเล็บเห็นฝันเห็นนำก็ฌานธรมาบัตรก็จะเกิดขึ้นก็ตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรา รู้ทรมเห็นธรรมก็เรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจา้าให้มากขึ้นได้เท่าไรพระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมทธรมาแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจา้าก็ดีใจ ว่าลูกเรารู้ทำเหรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มากคนคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ทมเห็นธรรมจริงๆ เรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิ เพเกอนขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนถ้าลูกเสร็จได้ท่านก็ดีใจถ้าลูกเสร็จได้ธรรมะนักขึ้นกัโพูดคุยกันเรื่องธรรมะทีถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้นไม่ดี ก็เรื่องนิวอนทั้งนั้นเอาดีที่ไหนค่ะติเตียงคุณนู้นไม่ดีติเตียงคณนี้ไม่ดีละไรจะไปเอาดีที่ไหนได้คร ตั้งใจ่าสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะแมนไน่จะไม่มีแขกก็คงจะได้สอนพราวนไน่มีแขกมากก็คงจะไม่ได้สอนโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกๆวัน ได้ก็ยินงดี <c oughs> ไอคนขี้เกียจขี้คลานนุนก็พึงว่าหาดีกต่ไม่ได้เลยเราก็เพึ่งรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีตมโทมะด้วยกันแล้วมันจะพูดก็คงดีๆอย่างนั้น ของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องกมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคุณนี้ไม่ดีก็จะไม่มีก็คณชนิดนี้แะก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้า จะได้ไม่เสียทีมาบวชและบัานชงเขหสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์ประพุติระธรรมพระทรงก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์ประพุทพระธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของขา่าวเรืงนั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีแล้ว ผมขึ้นอยู่ที่เกสาผมขนขึ้นรอบรอ บ, ร, อบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากและขึ้นอยู่ลายนิ้วขวรกดหมดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ย พยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตาเนี่ยมันออกจากบ้านเรือน นั่งให้ตืน่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปวังอนิจจ์โรคมมเที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ ไปเป็นจัตเริญฌานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นรู้แคว่าผนเกิดมาแล้วกว็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้หอเขาสอนให้เห็นอย่างนี้เพียงแต่มันดีกว่านี้ จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้ไปรู้เอง สอนเนื้อยากไปให้รู้กว่าปานาไม่ฆ่าสัตว์อธินาไม่รักษาให้ประพุทธสมจันงมือคตรห น, น้มีสิ่งห้าประจาใจรักษาวได้ดีจริงๆ โซดามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นรักกมโมยอยู่ทำยังไงอย่างไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงเที่ยงว่าจะเป็นพระริยาได้ จะเป็นโสดาได้ซึ่ราคาคาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะนำ้วยสั่งสอนอยู่เนี่ยก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระเจ้าได้เพราะ เราไม่ได้พระอริเจ้าได้สินดีก็คึงจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยอย่าเป็นก็โมยก็โจมมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมู่นแปดมันจะเป็นเปรตดีกว่ความไม่เที่ยง โทสะมุนส่องจะไปนรกปเกกดในในรกโมหะมุนสอ่อย่าไปเกิดเป็นสุนัข ก, ก็ได้เป็นมัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่สัตว์มันจำแนกอยูง่งี้ที่เราให้มานั่งกรรมฐ า, าน ปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้ได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังก็ได้ทำความช่วยไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำและสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา